หมอดูทายแม่นมิแปลว่าต้องเชื่อหมอดูแทนเชื่อกรำหรอถามเคยโทนหมอดูทักว่าจะอยู่กับสามีไม่ได้แต่ดิฉันไม่เชื่อเพราะสามีเป็นคนดีมากและดิฉันก็รักเขามากพออยู่กินกันจริงเรื่องก็เป็นไปตามที่หมอดูทำนายไว้คือเกิดเรื่องร้อนสารพัดจนทนไม่ไหว ต้องเลิกรากันจริงๆความสงสัยของดิฉันคือถ้าเป็นอย่างนี้เราก็คงไม่ต้องเชื่อเรื่องกรรมกันอีกต่อไปในเมื่อทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วดิฉันพยายามทาดีกับสามีแต่ก็มีตัวแปรอื่นแทรกแซงจนรับมือไม่ไหวนี่แปลว่ากรรมดีชนะดวงไม่ได้อย่างนั้นหรือตอบ ต้องวาเป็นกรณีไปครับแต่ละาคนต้องเจอวิบากต่างกันมนุษย์เราคบกันด้วยม่านหมอกบดบางความจริงไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างคิดอย่างไรแน่ไม่รู้ว่าอดีตกรรมอันใดเป็นชนวนนำมาพบกันไม่รู้ว่ากรรมสัมพันธ์แต่ปางก่อนเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่ออยู่ร่วมกันไม่รู้แม้กระทั่งว่า ที่ทั้งสองคนทำทามอยู่ในปัจจุบันจะพาไปสู่ความเจริญหรือหายณนะความจริงส่วนใหญ่ถูกกันไว้จากความรับรู้เห็นแต่รูปร่างหน้าตาฟังแต่เสียงพูดรู้สึกแต่ว่ารักเพียงแค่นั้นก็อาจทำให้ปากใจเชื่อว่าเราเลือกคนที่ดีที่สุดเหมาะกับเราที่สุด ส่วนอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากอยู่ด้วยกันไม่มีใครรู้เลยและด้วยเพราะไม่รู้แต่กระหายใครรู้ก็จึงพากันเข้าหาหมอดูอันเป็นวิธีซื่อๆที่จะกงธรรมชาติสะดวกสุดเสียไม่กี่ร้อยซื้อแว่นสองอนาคตให้เห็นล่วงหน้าว่าจะอยู่กันรอดไหมหรืออย่างน้อยรู้เส้นหน่อยว่า อยู่ด้วยกันแล้วเป็นสุขมีความอบอุ่นใจมีครอบครัวที่เจริญรุ่งเรืองแค่ไหนหากคุณไปเจอหมอดูที่แม่นจริงเขาจะบอกได้จากศาสต ร, ร์แห่งสถิติว่าเริเกิดแบบนั้นแบบนี้มาอยู่คู่กันแล้วมีแนวโน้มเป็นดีหรือร้ายหมายเหตย้ำนะครับว่ามีแนวโน้ม ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปทํานองเดียวกับที่พ่อครัวหัวป่าพยากรณ์ได้ว่าถ้าเอาส่วนประกอบและเครื่องปรุงอาหารแบบใดมาผสมกันจะได้ผลเป็นรสชาติเข้าท่าหรือกลอยสนิทไม่ว่าจะเป็นหัวราศาสตร์ห่วงจุย้ยนามมงคลหรือศาสตร์เกี่ยวกับการทํานายไหนๆผู้เชี่ยวชาญศาสตร์นั้นๆ ก็อาศัยเกณฑ์เดียวกันในการตัดสินคือถ้าเป็นเนื้อคู่แล้วต้องมีปัจจัยสนับสนุนให้พร้อมจะเป็นสุขเมื่ออยู่ร่วมชัยขากันแต่หากอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ปัจจัยส่งให้ทะเลาะเบาแวง้งก่อนนอนไม่แน่ใจว่าจะดวนแทงตอนหลับเลือดไหลท่วมเตียงหรือเปล่าอันนี้ไม่นับเป็นเนื้อคู่แม้ก่อนแต่งสอเขาว่ารักกันปานจะกลืน รู้สึกว่าเป็นคนดีของกันและกันขนาดไหนก็ตามกลับมาพูดถึงเรื่องของคุณฟังรายละเอียดแล้วสรุปได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกเกือบทั้งสิน้นพูดง่ายๆว่าโดนสมไฟจากนอกบ้านไม่ได้เริ่มจุดไฟขึ้นเองจากในบ้านแต่แม้เป็นไฟจากภายนอกเมื่อขาดมาตรการป้องกันที่ดี ที่สุดก็ลามมาถึงในบ้านจนได้สิ่งที่หมอดูเห็นอาจจะเป็นไฟนอกบ้านที่ต้องมาแน่และหมอดูก็คาดการอย่างที่ใครๆก็คาดเดาได้ว่าถ้าเจอไฟขนาดนั้นผัวเมียย่อมละเอียใจเป็นธรรมดาไหนจะมือที่สามไหนจะความจุกจิกระหว่างครอบครัวไหนจะความเครียดจากความพันหวนทางการเงินการงาน คุณผ่านทางแยกกับสามีมาแล้วผมก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดวิธีแก้ไขที่นี้อยากไขข้อข้องใจกว้างๆครับขอยืนยันว่าคุณเชื่อใจตัวเองเชื่อกรรมในปัจจุบันของตัวเองได้ยิ่งกว่าหมอดูแม้ว่าอย่างไรไฟนอกบ้านก็ต้องโหมขึ้นและลามเข้าบ้านแน่ๆแต่ถ้าคุณเตรียมน้ําไว้ดีมีใจไม่ประมาท ร, ร่วมกัน อย่างไรไฟก็มาไม่ถึงตัวบ้านอย่างเด็ดขาดถ้าร่วมกันทําบุญในระดับทานคือตั้งใจว่าจะรู้จักเสียสละไม่ผูกใจเจ็บฝึกให้อภัยเป็นทานสิแต่เนิ่นๆจนจิตหลังกระแสเมตตาร่วมกันตลอดเช้ายันเย็นไหนเลยความจุกจิกระหว่างครอบครัวของแต่ละฝ่ายจะมารบกวนให้คิดมากได้ ใครจะระราญแค่ไหนใจก็เย็นพอจะทำสถานการณ์ให้ดีขึ้นเสมอถ้าร่วมกันทำบุญในระดับศีลคือปฏิญญาว่าจะถือศีลห้าให้สะอาดร่วมกันไหนเลยมือที่สามจะเข้ามาป่วนให้เกิดความแตกแยกหรือแม้กระทั่งสร้างความร้าวฉานหวาดระแวงระหว่างคุณกับสามีได้ กระแสของศีลที่ชักชวนกันรักษาอย่างมั่นคงแล้วจะทำให้คุณสบายใจไม่รู้สึกว่าวุ่นแม้แต่น้อยถึงสามีจะอยู่ลับตาใกล้ไกลเพียงใดก็ไม่จำเป็นต้องโทรตามจิกตามเช็คให้รำคาญกันสรุปคือถ้าเอาชนะความโลภเอาชนะความโกรธเอาชนะความหลงเข้าใจผิดเสียได้ด้วยทานและศีล คุณก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อหมอดูเลยครับยิ่งอยู่จะยิ่งสบายใจเห็นอกเห็นใจกันอยากอยู่ร่วมกันไปอีกนานแสนนานแม้ต้องลงทุนเตรียมน้ำใหม่ให้ชนะไฟเก่ามากหน่อยก็ตาม